สองภูตคามวัตเมหันลกาวิหารสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่เรื่องพระช น, นะหนึ่งรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยูนะ่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นมหาอมาตถุผู้เป็นอุปถาของท่านพระช น, นะสร้างวิหารถวายท่านพระช น, นะทีนั้นท่านพระช น, นะสั่งให้มุง ให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายๆครั้งวิหารมีน้ำหนักมากจึงพังลงมาต่อมาท่านพระชนะจึงหาเก็บหญ้าและไม้ทำใ ห, ให้นาข้าวเหนียวของพราหมณ์คนหนึ่งเสียหายพราหมณ์นั้นตำหนิประนามโพรธนาว่าฉนัยพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงทำนาข้าวเหนียวของเราให้เสียหายเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพราหมณ์ตหนิประนามพลธนา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยท่านพระชนะจึงให้มุ่งให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายครั้งเล่าวิหารมีน้ำหนักมากจึงพังลงมาครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระชนะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ